ที่ประเทศแคนาดามันมีเหตุการณ์เล็กๆ เ, เ, เหตุการณ์หนึ่งที่น่าประทับใจเหตุเกิดที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะมีเด็กชายอายุ8ขวบแต่เป็นโรคโพรงสมองข้างน้ําคือน้ำเนี่ยอยู่ในโพรงสมองแล้วก็ถ้าน้ํามันเยอะมากไปเนี่ยมันก็เป็นอันตรายต่อสมองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องผ่าตัดนะระบายน้ําออกเด็กก็มาโรงพยาบาลนะตามที่หมอ น, นัด แล้วก็ไม่มาตัวเปล่านะถือตุ๊กตาหมีเชดี้แบมมาด้วยกอดเอาไว้แล้วก็ขอพาตุ๊กตาหมีเข้าห้องผ่าตัดปกติเข้าห้องผ่าตัดนี่เขาไม่ค่อยอนุญาตให้พกพาอะไรนะไปแต่ตัวหมอที่ผ่าตัดซึ่งเป็นเจ้าของไข้ก็อนุญาตนะทีแรกคิดว่าเนี่ยเด็กคงต้องการกำลังใจจากตุ๊กตาหมีนะ เพ อ, อย่างที่เรารู้นะเด็กเนี่ยเขาก็มีความผูกพันกับตุ๊กตาไม่ว่าหญิงหรือชายเดี๋ยวพอในช่วงเวลาที่สําคัญผ่าตัดเนี่ยนะเด็กหลายคนก็กลัวก็ต้องอาศัยกําลังใจไม่ใช่จากพ่อแม่อย่างเดียวบางทีก็จากตุ๊กตาหมีหรือตุ๊กตาที่ตัวเองผูกพันตั้งแต่เล็กหมอก็นุยาตเข้าไปนะแต่ท่านั้นไปพอนะพอจะทําการผ่าตัดเนี่ยเด็กก็บอกหมอเจ้าของไข้ว่าเนี่ย ตุกตามีผมไม่ค่อยสบายนะเขามีบาดแผลคุณหมอช่วยผ่าตัดให้หน่อยด้วยนะก่อนที่ผมจะหลับไปนะหมอช่วยทําให้ด้วยหมอรับปากนะหมอรับปากแล้วไม่ได้รับปากไปไลอยๆนะพ่อผ่าตัดเด็กเสร็จเนี่ยนะหมอก็บอกพยาบาลให้เอาโต๊ะเล็กๆมาเพื่ออะไรนะเพื่อ ทำเป็นเดียงผ่าตัดให้กับเท็ดี้แบร์ตุ๊กตาหมีของเด็กคนนั้นนะแล้วก็เอาได้เอาเข็มเนี่ยนะที่ใช้เย็บเด็กคนนั้นน่นะหลังจากผ่าตัดเสร็จเนะี่ยเอามาเย็บนะบาดแผลของเท็ดี้แบร์คือใต้แขนของตุ๊กตาหมีตัวนี้มันมีรอยฉีกขาดหมอก็เลยพยาบาลเสร็ยด้วยการเย็บแผลนั้น แล้วก็ทำเหมือนกับว่ามันเป็นการผ่าตัดจริงๆนะเพราะว่าหมอยังให้เอาหน้ากากจิ๋วเนี่ยหน้ากากออสีจิ๋วเนี่ยมาครอบครอบจมูกครอบปากของเท็ดดี้แบด้วยแล้วก็ถ่ายรูปเพื่อยืนยันให้กับเด็กได้รู้ว่าเนี่ยได้พาได้พยาบาลเท็ดดี้แบ์ของเด็กน้อยแล้วเมื่อเป็นลุงชินาประทับใจมากนะ จริงๆแค่หมอผ่าตัดให้ดีให้เด็กปลอดภัยนะมันก็ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีแล้วไอการไปเย็บนะรอยฉีกขาดของเท็ดดี้แบร์นี่หรือตุ๊ ก, กตาหมีนี่มันไม่ใช่หน้าที่ของหมอนะแต่หมอในแง่หนึ่งมันก็เป็นการเสริมหน้าที่ของหมอนะเพราะว่าเด็กก็มีความผูกพันกับตุ๊ ก, กตาหมี ถ้าหมอเนี่ยได้สนองความต้องการความปรารถนาของเด็กนะมันก็จะช่วยทำให้เด็กเนี่ยมีความสุขจิตใจดีขึ้นพอหมอรู้ว่าเนี่ยเด็กเขาห่วงเทดดี้แบเด็กไม่ได้ต้องการกำลังใจจากตุ๊กตาหมีนะแต่ที่เอาตุ๊กตาหมีมาคล้องผ่าตัดเพื่อขอร้องให้หมอช่วย หมอเองก็บอกนว่าใ น, ในเมื่อเด็กเขาขอให้ผมช่วยรักษาตุ๊กตาหมีผมจะปฏิเสธได้ยังไงอันนี้แสดงว่าหมอเนี่ยให้ความสำคัญกับจิตใจของคนไข้ด้วยไม่ใช่แค่เยียวยารักษากายแต่ดูแลจิตใจด้วยเพราะว่ารู้ว่าจิตใจมันก็มีความสำคัญนะต่อร่างกายจิตใจที่ดีจิตใจที่สบายผ่องใสคลายกางังวล มันก็ทําให้กายเนี่ยดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะว่าไปนี่ก็เป็นส่วนของการรักษาคนไข้นะไอ้เจ็บตุกตาเมเนี่ยเป็นส่วนของการรักษาคนไข้คือทําให้คนไข้เนี่ยนะได้รับการเยียวยาที่ดีและจะว่าไปเนี่ยมันก็ชี้เห็นนะว่าอุณหมอนนี้แกมีความใส่ใจในจิตใจหรือความรู้สึกของคนไข้เพมันอะไรก็ตามที่ทําให้คนไข้แล้วสบายใจมีความสุข ก็ยินดีทำเพราะถือว่านี่เป็นงานของตัวเหมือนกันนี่ทำให้นึกถึงอีกเหตุการณ์หนึ่งนะมีผู้หญิงเนี่ยแกเป็นมะเร็งร่างกายก็ได้รับการผ่าตาัดได้รับการใช้แสงชีเค ม, มีโมผมร่วงผมร่วงมากๆเนี่ยวิธีเดียวที่จะช่วยได้คือโกนผมเลย จะได้ดูดีขึ้นแกก็ไปนะร้านตัดผมนะของผู้หญิงนะแต่ว่าคนตัดเนี่ยเป็นผู้ชายเป็นวัยรุ่มเลยนะหนุ่มระหว่างที่โกนผมเนี่ยของผู้หญิงคนเนี้ซึ่งอยู่ในวัยกลางคนเนี่ยแกก็ร้องไห้นะผู้หญิงก็ร้องไห้เพราะว่าเสียดายผม และอาจจะรู้สึกอับอายนะที่ตัวเองต้องหัวโลน้นเคยภูมิใจในเรือนผมของตัวแต่ตอนนี้ต้องกลายเป็นคนหัวล้านซะแล้วช่างแตนผมเนี่ยเห็นเนี่ยก็ปลอบใจนะปลอบใจยังไงผู้หญิงนั้นก็ยังร้องไห้แกทําทไงรู้ไหมช่างแตดผมเนี่ยแกบัตเจรีย์ก็โกรผมตัวเองเลยโกรธหัวตัวเอง จนเกลี้ยงเกลาเลยนะแล้วก็ระหว่างที่โกนเนี่ยนะก็ยิ้มนะยังมีความสุขว่าเหมือนเหมือนเป็นอะไรเลยโกนผมนี่หัวล้านก็ดีเหมือนกันสบายไม่มีภาระมากผู้งา่าคือโกนเป็นเพื่อนโก น, กนเงิยัไม่พอนะชวนเพื่อนที่อยู่ข้างๆเนี่ยซึ่งเป็นช่างตัดผมอีกอีกสองคนเนี้มาโกนด้วยพี่อยองนั่นนี่พอเห็นเขา้าเลิอกอับอายเลย รู้สึกมีรอยยิ้มเลยนะยิ้มขึ้นมาเลยเพราะว่ามีเพื่อนแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยการที่หัวร้นนี่มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่ารังเกียจมันดีซะอีกนะเพราะฉะนั้นผมเนี่ยนะจริงๆเนี่ยถ้าเขาทาตามหน้าที่ก็แค่โกนผมให้เสร็จแล้วก็ได้เงินไปแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้ขี้แค่นั้นนะเขามองทะลุว่านเนี่ยหน้าจริงเราคือทําให้คนมีความสุข พอใจกับเรือนผมของตัวเองหรือถ้าไม่มีผมก็มีความพอใจกับผิวที่เกลี้ยงเกลาคือไม่ได้แค่ทําให้ไม่ใช่เพียงแค่ตกแต่งผมหรือตัดผมแต่ทําให้ผู้ลูกค้ามีความสุขด้วยวันนั้นอะไรทําให้ลูกค้ามีความสุขก็ยินดีทํากนผมให้กับลูกค้าแล้วลูกค้ายังมีความทุกข์มีความอับอายก็โกนผมตัองเป็นเพื่อนซะเลย อันนี้เรียกว่าเป็นการทํางานที่น่าสนใจคือไม่ได้ทําเพียงแต่ว่าทําให้เสร็จหรือทําตามหน้าที่แต่ว่าทํายิ่งกว่านั้นคือให้ลูกค้ามีความสุขด้วยก็ ค, คล้ายๆกับหมอนะหมอคนที่ว่าเนี่ยไม่ได้เพียงแค่ว่าผ่าตัดเสร็จแล้วให้คนไข้ปลอดภัยแต่ว่ายังใส่ใจกับ ก, การทําให้เขามีความสุข ผู้ใหญ่คือไม่ได้ทำเพื่อเงินนะไม่ได้ทำเพื่อเงินนะแต่ทำเพื่อให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการมีความสุขอันนี้คล้ายๆกับเจ้าของโรงแรมในญี่ปุ่นแห่งหนึ่งนะที่จริงก็ผมมีหลายแห่งแต่เรื่องนี้คนไทยของเราเนี่ยเคยไปพักที่โงแรมเล็กๆแห่งหนึ่งสะอาดสะอ้านอาหารก็ดีบริการก็เยี่ยมมากนะ ผู้จัดการเจ้าหน้าที่เอาใจใส่ลูกค้าก็ประทับใจมากนะคนไทยเนี่ยถึงเวลาเช็คเอาก็จะมอบทิปให้แต่ปรากฏว่าเจ้าของโรงแรมปฏิเสธบอกไม่ขอรับทิปแต่ถ้าจะช่วยเขียนข้อความลงในสมุดนะเล่าถึงความรู้สึกที่ได้รับบริการจากโรงแรมก็จนดีเลยคนไทยก็เลยเขียนความรู้สึกลงในสมุด แล้วก็ถามคุณป้าเจ้าของโรงแล้ว่าทำไมไม่รับทิปอ่ะทำไมเพียงแค่อยากจะได้รับคำชมจากลูกค้าคุณป้าก็บอกว่าเนี่ยพวกเราไม่ได้ทำเพื่อเงินนะพวกเราทำเนี่ยเพื่ออยากให้ลูกค้ามีความสุขอยากเห็นรอยยิ้มของลูกค้าอันนี้เรียกว่ามีแรงจูงใจที่ดีมากในการทำงานไม่ได้ทำเพื่อค่าตอบแทน แต่ว่าอย่ให้ลูกค้ามีความสุขและสุดท้ายเนี่ยความสุขก็กลับมาสู่ผู้ทํานะแม้จะเป็นเจ้าของโรงแรมไม้จะเป็นพนักงานไม้จะเป็นช่างตัดผมหรือว่าหมอพอทําให้เด็กมีความสุขหมอก็มีความสุขพอทําให้ลูกค้ามีความสุขช่างตัดผมก็มีความสุขพอทําให้ลูกค้ามีรอยยิ้มพนักงานหรือเจ้าของโรงแรมก็พอยมีความสุขไปด้วย คือไม่ได้แค่เงินนะเงินนี่เป็นผลพลอยได้แต่ว่าได้ความสุขซึ่งมีค่ากว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นท่าชั้นกติต่อการทำงานที่น่าสนใจมาก